บทที่สิบเอ็ดไปกทมลุงลุงฮะหมอใหญ่บอกว่าให้ลุงลุงออกจากโรงพยาบาลพวกนี้ะนายขุนทองรายงานแม้ดีจังเองเก่งมากที่ช่วยให้ข้ากรับวัดท่านพระครูหลงกนหลานชาย หนูไม่เก่งอย่างที่หลวงลุงชมหรอกค่ะแต่ถ้าคิดว่าเก่งก็ต้องเก่งกว่าที่ชมพระหนูสามารถทำให้หลวงลุงย้ายโรงพยาบาลได้น้ำเสียงสอแววเย้ยหยันฮะเอ็งว่าอะไรนะท่านพระครูรู้สึกฟังไม่ถนัดล้านชายตัวดีจึงพูดชัดถ้อยชัดคำว่าหนูทำให้หลวงลุงได้ย้ายโรงพยาบาลค่ะย้ายจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี ไปโรงพยาบาลเลิศศิล์กทมโนนเกิดอะไรขึ้นทำไมเองทำกับข้าอย่างนี้ได้ยินถนัดแล้วท่านพระครูรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งยวดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกฮะเพียงแค่หนูไปปรึกษาหมอใหญ่ว่าลุงลุงพูดไม่หยุดเลยจะทำไงหมอเขาก็โทรศัพท์ไปหาหมอที่กทมหมอกทมอบอกว่าพรุ่งนี้ จะส่งรถพยาบาลมารับหลวงลุงไปกทมฮะเขาตั้งใจยั่วหลวงลุงด้วยการเน้นย้ำคําว่ากทมหลวงพ่อไปไม่ได้นะจ๊ะประเดี๋ยวคนที่เข้ามาเยี่ยมก็ไม่พบหลวงพ่อสิจ๊ะสตรีผู้หนึ่งออกคําสั่งในขุนทองเกิดอาการหมันไส้ที่หล่อนบังอาจออกคําสั่งกับหลวงลุงของเขาจิงเล่นงานหล่อนด้วยคําพูด ขอโทษนะฮะคุณไม่ใช่หมออย่ามาพูดกับหลุงลุงอย่างนั้นถึงอย่างไรท่านก็ไม่ทำตามคุณสั่งถ้าท่านจะทำผมก็จะไม่ยอมให้ท่านทำหรือว่าคุณไม่อยากให้ท่านหายถึงได้มาชวนท่านคุยไม่หยุดไม่ย่อนอย่างเนี้ยเขาพยายามแสดงตนว่าเป็นคนสำคัญและใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ หลวงพ่อไอหมอนี่เป็นใครกันทำไมมันถึงทำใหญ่เกินตัวหลวงพ่อยอมมันได้ยังไงสตรีผู้นั้นฉุนฉุนหล่อนคิดว่าตัวเองใหญ่แล้วยังมีคนมาทำใหญ่ยิ่งกว่าท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบคำถามของหล่อนล้านชายตัวดีก็แวะเข้าใส่ฝ่ายนั้นเสียก่อนนี่คุณหน้าใหญ่นักครึ ถึงได้มาออกคําสั่งหลุงลุ ง, ลงผมแถมยังจะมาพูดก้าวร้าวหลานชายท่านอีกใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันก็ใหญ่กว่าผู้ใหญ่หอมแหละเธอรู้จักผู้ใหญ่หอมแห่งหมู่บ้านน้องกระทะหรือเปล่าละ่ะแล้วรู้จักเมียผู้ใหญ่หอมไหมฉันนี่แหละหล่อนถือโอกาสแนะนําตัวเองผู้ใหญ่หอมหรือผู้ใหญ่เหม็นผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเวลาเนี้ย ผมสนใจอยู่เรื่องเดียวคือทำยังไงให้หลวงลุงของผมหายเร็วๆถ้าพวกคุณไม่มาชวนคุยหลวงลุงผมคงหายแล้วก็ได้คำพูดของนายขุนทองทำให้ญาติโยมในห้องรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวบางคนก็เห็นด้วยกับเขาแต่ก็มีอีกหลายคนรู้สึกไม่พอใจท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจาลุกลามไปกันใหญ่จึงปรามหลานชายตัวดีว่า นี่ขุนทองเองไม่ต้องพูดได้ไหมเอาละเอาละเสร็จธุระแล้วก็กลับได้ถ้าไล่ทางอ้อมหนูยังไม่กลับหรอกฮะขืนกลับพวกญาติโยมก็พากันชวนหลงลุงคุยจนไม่เป็นอันได้พักผ่อนล้านชายตั้งท่าจะปักหลักสู้แม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าขุนทองไปส่งญาติหน่อยย่าอยากกลับบ้าน แม่เตียงเรากลับกันสัทีดีไหมดีเหมือนกันจาะจะได้ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้จะได้ไปส่งท่านที่กรทมฉันขอไปส่งท่านเด็กคนนะพี่จวนยอมเตียงขออนุญาตแม่จวนตกลงฉันไม่ทิ้งแม่เตียงอยู่แล้วพรุ่งนี้เราไปรถสมชายกันเองคงไม่ต้องไปหรอกนะคุณทองอยู่เฝ้ า, าวัดดีกว่าเผื่อจะมีคนมาเยี่ยม จะได้บอกเขาแม่จวนเกรงว่าหลานชายจะไปทำความยุ่งยากที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหมือนกับที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันรุ่งขึ้นนายแพทย์ประดิษฐ์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิล์ก็ส่งรถพยาบาลมารับท่านพระครูพระมหาบุญนั่งไปด้วย ช่วนแม่จวนโยมเตียงนั่งจำแรงแล้วก็ญาติโยมที่ใกล้ชิดก็พา ก, กันมาเต็มคันรถตู้ที่นายสมชายเป็นคนขับนายแพทย์สมมิ่งไม่ได้มาด้วยแต่ฝากแฟ้มข้อมูลของคนไข้มากับบุรุษพยาบาลที่มากับรถรถพยาบาลใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงเศษก็มาถึงโรงพยาบาลเลิศดศีลนายแพทย์ประดิษฐ์เป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเป็นพิเศษ ครั้งเห็นคนไข้ก็รู้ว่าจะรักษาอย่างไรหามท่านขึ้นไปชั้นสองเขาสั่งบุรุษพยาบาลท่านพระครูจึงถูกยกใส่เปรคนไข้และพวกบุรุษพยาบาลก็ช่วยกันหามท่านขึ้นไปบนชั้นสองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งให้เรียกหมอทั้งหลายมาดูบอกกับพวกเขาว่าหลวงพ่อองค์นี้รถความคอหักแต่ไม่ยักกระตายเฮ้ยไม่มรณะภาพ พวกคุณดูเอาไว้เป็นตัวอย่างตั้งแต่เป็นหมอมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเคสแรกพวกคุณละ่ะเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมไม่เคยครับหมอทั้งหลายตอบและท่านจะเป็นอมาพาสหรืออมพลกหรือเปล่าครับอาจารย์หมอหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นท่านพละครูชิงตอบว่าไม่เป็นหรอกหมอหมอต้องช่วยอย่าให้อัตมาเป็นนะ ถ้าต้องเป็นอาตมาจะขอตายดีกว่าท่านรู้สึกกลัวอมมาพลึกอมมาพาดมากกว่ากลัวความตายแต่ถ้าหลวงพ่อพูดเก่งอย่างที่หมอสมมิ่งรายงานมาอาจจะเป็นได้นะครับนายแพทย์ประดิษฐ์ครูเขาหลีกเลี่ยงมาใช้พูดเก่งแทนพูดมากทำยังไงได้ละหมอก็อปากเขามีไว้ให้พูด และอาตมาก็ไม่ได้เป็นใบเสียด้วยซิท่านเรื่นยวนในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกของเมืองไทยข้อนั้นผมทราบครับแต่หลวงพ่อต้องไม่ลืมว่าเวลานี้หลวงพ่อเป็นคนไข้ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนำของแพทย์หายป่วยแล้วหลวงพ่อจะคุยมากคุยน้อยแค่ไหนก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายหมอใหญ่พยายามอธิบาย ข้อนั้นอาตมาก็ทราบแต่คุณหมอต้องไม่ลืมว่าเวลานี้อาตมากลายเป็นคนดังไปเสีแล้วคนพากันแห่มาดูอาตมาจนแน่นโรงพยาบาลแถมเอาข้าวของมาถวายเต็มไปหมดทั้งอาหารหวานขาวส้มสูกลูกไม้ตอนอาตมาชันได้เขาก็ไม่เอามาถวายพอป่วยฉันไม่ได้กลับพากันมาถวายเต็มห้อง แบบนี้เขาเรียกว่าแกล้งกันใช่ไหมคุณหมอท่านทั้งยัว่วทั้งยวนในแพท ย, ย์ใหญ่หลวงพ่อนอนหลับตานิ่งๆ น, นะครับประเดี๋ยวผมจะจัดการเอาเฝือกก่าวออกแล้วก็ใส่เฝือกใหม่ให้เบากว่าแทนหลวงพ่อจะได้รู้สึกสบายขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิกสินสั่งโดยไม่สนใจที่จะต่อปากต่อคคำกับท่านคนไข้จึงจาต้องปฏิบัติตาม เพราะรู้สึกรังเกียจเจ้าเฟือกตัวเก่านะักทั้งร้อนทั้งคันจนท่านต้องหาอุบายทำให้ทุเลาด้วยการคุยพอท่านคุยก็กลับถูกหมอว่าซิอีกทั้งหมอสมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีและหมอประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสินนายแพทย์ประดิษฐ์จัดการตามที่พูดประมาณชั่วโมงเศษ ท่านพระครูก็ได้เฟือกใหม่ที่ให้ความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมใส่เฟือกได้ประมาณสิบห้านาทีท่านก็ลุกเดินเกือบเหมือนปกติสมภาวรวัยห้าสิบเศษดีใจเสียนักบอกหมอใหญ่ว่าอาตมากลับวัดป่ามะม่วงวันนี้เลยนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีอีกเพราะหายแล้วขอบคุณคุณหมอมากอาตมาจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลย ขอให้คุณหมอจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนะคุณหมอนะคุณหมอท่านอื่นๆด้วยสมพรปากรับหลวงพ่อนายแพทย์ประดิษฐ์พูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมรับพรแล้วจึงพูดว่าหลวงพ่อกลับไปโรงพยาบาลสิงห์บุรีก่อนดีกว่าอีกสองสามวันค่อยกลับวัดอัตมาว่ากลับวัดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนหมอและพยาบาล อาตมารบกวนเข้ามาหลายวันแล้วหลวงพ่ออย่าคิดว่ารบกวนเลยครับทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและไม่ถือว่าเป็นการรบกวนถ้าหลวงพ่อไม่อยากนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีจะนอนโรงพยาบาลเลิศสินนี่ก็ได้ผมจะแอดมิทให้ท่านรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องไม่ต้องอาตมาไม่ขอรบกวนเอาเป็นว่าอาตมาขอกลับสิงห์บุรี ส่วนจะกลับวัดหรือกลับโรงพยาบาลคอยว่ากันทีหลังท่านออกอุบายที่จะเลี่ยงไม่ไปนอนโรงพยาบาลถ้าเช่นนั้นก่อ น, นิมนต์ครับผมจะให้รถพยาบาลไปส่งไม่ต้องหรอกคุณหมออาตมากลับรถลุกศิธย์ก็ได้อาตมาลาละนะพูดจบก็เดินลงบันไดไปขึ้นรถโดยมีในสมชายกับบุรุษพยาบาลอีกสองคนเดินตามไป และพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านหากท่านเดินไม่ไหวนายแพทย์ประดิษฐ์เดินตามมาส่งท่านถึงรถดูแลจนกระทั่งท่านขึ้นไปนั่งในรถแล้วจึงเดินกลับไปยังตึกผู้ป่วยนอกนายสมชายขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้หลวงพ่อของเขากระทบกระเทือน สมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มชวนคนโน้นคนนี้คุยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจจะคุยกับท่านขนาดในสมชายซึ่งท่านให้สมยาว่าพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนก็กรับเป็นคนพูดน้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์เพราะท่านถามคําเขาก็ตอบคําบางทีถามสองคาแทนที่จะตอบสองคากลับนิ่งเสียไม่ยอมตอบ ท่านรู้สึกอึดอัดขัดข้องคิดหาอุบายที่จะทำให้พวกเขาคุยบัดดนท้องก็ร้องจอกจอกบ่งบอกว่าหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยกรนั้นก็อาทรต่อคนอื่นมากกว่าจึงถามขึ้นว่าทานข้าวกันหรือ ย, ยังท่านมาหาฉันเพนหรือ ย, ยังเรียบร้อยแล้วครับ สมชายพาไปต่อหลวงพ่อเข้าเฝือกแล้วยาดโยมละ่ะไม่มีผู้ใดตอบด้วยแต่ละคนคิดว่าท่านไม่ได้เจาะจงถามตนท่านพระครูจึงต้องถามใหม่โยมแม่ทานกลางวันหรือยังและโยมเตียงละ่ะหิวกันหรือเปล่าท่านมาหาตอบแล้วแม่จวนพูดเท่านี้แล้วก็นิ่ง ส่วนนางจำแรงคู่ปรับเก่าของท่านผู้ซึ่งแม้จะไม่พูดหากก็ส่งสายตายาะเย้ยถักฐานมาแทนในสมชายรู้ว่าท่านคงจะหิวทว่าขณะนั้นก็เลยเวลาเพลิไปแล้วหากเขาจะอ้างว่าท่านอยู่ในฐานะคนไข้ก็จะฉันเลยเวลาไปบ้างก็พอจะโนโลมได้ยอมตายซะยังดีกว่ายอมละเมิดพระวินยัยดังนั้น เขาจึงไม่ปริปากถามท่านครั้นรถแล่นผ่านร้านอาหารข้างทางเขาก็จอดและเข้าไปซื้อนมถั่วเหลืองมาถวายท่านหนึ่งกล่องขอบใจเองมากแต่ทึงเองจะไม่ถวายอะไรเลยข้าก็อยู่ได้อดข้าวเจ็ดวันเจ็ดคืนข้าก็เคยมาแล้วท่านขอบใจคนขับรถขณะเดียวกันก็พูดกับนายสมชาย คิดว่าเขาไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับท่านมากมายนะักประมาณบ่ายสามโมงรถตู้สีครีมก็เล่นมาจอดที่หลังกุฏิญาติโยมมารอกันแน่นจนแทบไม่มีที่เดินแทนที่จะขึ้นไปพักผ่อนอยังชั้นบนสมภารวัดป่ามะม่วงยังเดินไปนั่งยังอัศนะญาติโยมพากันมากราบด้วยความยินดีปรีดาหลวงพ่อหายแล้วหรอจ๊ะ แหมหมอกรทมนี่เขาเก่งจริงๆยังกับหมอเทวดาแนะ่คนพูดคือเมียผู้ใหญ่หอมวันนี้หล่อนบังคับให้ผู้ใหญ่หอมให้มาด้วยเพราะอยากจะอวดในขุนทองว่าหล่อนยิ่งใหญ่กว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่พ้นหมู่บ้านหนองกระทะแอบให้สมญาคนคู่นี้ว่าผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเมียเป็นกำนัน เพราะผู้ใหญ่หอมจะเชื่อฟังเมียแกมากเวลากำนันตำบลช่องแค่เรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านถ้าเมียแกบอกแม่อนุมัติให้มาแกก็หามาไม่หลวงพ่อคะเมื่อเช้าหนูไปหาหลวงพ่อที่โรงพยาบาลแต่พยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อไปกรุงเทพหนูเลยมาปักหลักกรออยู่ที่วัดเพราะโรงพยาบาลเขาไม่เลี้ยงข้าวและก็ไม่ให้นอนค้าง ไม่เหมือนที่วัดนี้ข้าวก็มีให้กินแถมนอนค้างคืนก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องจ่ายทั้งค่ากินค่านอนแล้วก็ยังมีค่าถีบอีกเอไอ้ค่าถีบนี่มันเป็นยังไงนะโยมอัตมาไม่รู้จักเพราะไม่เคยนอนโรงแรมได้ยินแต่คนเขาพูดกันค่านวดบังครับหลวงพ่อ บูหุดวัยกลางคนผู้หนึ่งถามขึ้นเขาชอบนวดมากมากจนแอบไปมีเมียซึ่งเป็นหมอนวดไว้คนหนึ่งโดยที่เมียเขาไม่รู้นี่ก็ว่าจะไปถามพระอรหันต์ว่าถ้าเกิดยายแก่ที่บ้านรู้เขาจะทำอย่างไรเกิดหล่อนบังคับให้เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาควรจะเลือกยายแก่หรือว่าเลือกหมอนวดดี แย่แก่นั่นไม่มีอะไรดีนอกจากรวยเพราะหล่อนขยันทำมาหากินส่วนหมอนวดจนและไม่มีอาชีพเพราะหลังจากเขารับไว้เป็นเมียเก็บเขาก็ไม่ยอมให้หล่อนไปนวดใครอีกเก็บหล่อนไว้นวดเขาเพียงคนเดียวท่านพระครูรู้ความคิดบุรุษตรงหน้ารู้ว่าเขามีความโลภในเรื่องกามคุณและประพฤตินอกใจภรรยามาตลอด นับตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาไม่รุ่งโรดเรื่องรองในหน้าที่การงานก็เพราะประพฤติผิดศีลในข้อสามเป็นนิจจะศีลนี่เองไม่ใช่หนวดนะคนที่ชอบหนวดก็คิดไปในทางที่ตัวเองชอบแต่ถีบที่อาตมาพูดเนี่ย เป็นภาษาฝรั่งบุรุษนั่นฟังแล้วรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะเชื่อว่าท่านรู้พฤติกรรมของเขาที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์คนเป็นพระอรหันต์ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาคิดไม่รู้ดอกว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นไม่ถูกต้องทิพกระมังครับหลวงพ่อทิพหมายถึงเงินรางวัลที่ เราให้กับบริกรนอกเหนือจากค่าอาหารแล้วก็ค่าที่พักนุมหนึ่งพูดขึ้นเขาเพิ่งจบปริญญาโทรมาจากประเทศอังกฤษและจะมาขอพรจากพระอรหันต์เพื่อไปเรียนต่อปริญญาเอกคงใช่ยังพ่อหนุ่มเขาว่านั่นแหละ อ, อ่าต้องออกเสียงว่าทิพหรืออาตมานึกว่าเขาเรียกทิพคนฟังพากันอมยิม้ม สตรีที่เป็นเจ้าของเรื่องรอโอกาสที่จะพูดต่อหล่อนมีทุกข์หนักหนาสาหัสอยากจะให้ท่านช่วยคิดว่าจะรอให้คนอื่นๆไปกันให้หมดก่อนและจึงค่อยกราบเรียนท่านแต่ในเมื่อไม่มีผู้ใดลุกออกไปสักคนมมหนำซ้ำยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นแถวยาวไปจนจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อนจึงคิดว่าควรจะถือโอกาสนี้พูดทูะ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นบ้างไม่องไม่อายมันแล้วคนมาวัดก็คงจะเหมือนเหมือนกับหลอนคือมีทุกข์้าไมมีทุกข์ก็คงไม่มีใครมาวัดหลอนเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อคะหนูมีทุกข์ค่ะสามีหนูมีเมียน้อยหล่อนกราบเรียนมีเมียน้อยก็ดีแล้วนี่หนูดีกว่าเขามีเมียมากแล้วหนูจะไปทุกข์ทำไม คนฟังพากันยิ้มแต่เจ้าของเรื่องยิ้มไม่ออกกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าทุกของหล่อนลดลงไปตั้งครึ่งหนูไม่ต้องการให้เขามีทั้งเมียน้อยและเมียมากอยากให้เขามีเมียคนเดียวค่ะอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้หนูตอบหลวงพ่อมาสิว่ามีบ้านหลังเดียวกับมีบ้านสามหลังอย่างไหนดีกว่ากัน สามหลังดีกว่าค่ะคนที่มีบ้านสามหลังแปลว่าเขารวยแต่ของหนูมีแค่หลังเดียวก็ผ่อนส่งตั้งยี่สิบปีกว่าจะหมดก็บ้านพังกันพอดีแต่เมียกับบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะหลวงพ่อมีบ้านมากแสดงว่ารวยแต่มีเมียมากทำให้จนแค่เมียคนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวปล่อยให้อดๆอยากๆ แล้วยังสเส อ, อไปมีเมียน้อยหล่อนนึกเครียดแค้นชิงชังสามีจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะไหนลองว่ามาสิหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกกับเมียน้อยช่วยให้เ้าเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นคนไม่ดีและไม่ได้อยู่กับหนูถ่าเขาเป็นคนชั่ว และหนูจะให้คนชั่วเข้าบ้านเราทำไมเขาชั่วก็ปล่อยให้ไปอยู่กับคนชั่วโดยการเสียก็หมดเรื่องเพราะอย่างนี้นะสิคะหนูเึิงได้มาขอให้หลวงพ่อช่วยช่วยให้เขาเป็นคนดีจะได้กลับมาอยู่กับหนูตอนนี้ก็อยู่กับอีหมอนวดเขาได้มันเป็นเมียน้อยค่ะหลอนพูดเสียงเครือแล้วก็ร้องไห้บุรุษที่มีเมียเก็บ เป็นหมอนวดฟังแล้วถึงกับสะดุ้งหากยายแก่ที่บ้านรู้จะมาฟ้องพระอรหันต์เหมือนหล่อนผู้นี้หรือเปล่านอ้อหนูเข้าใจผิดแล้วละไม่มีใครเสกใครให้เป็นคนดีได้นอกเสีจากเขาเสกตัวเองในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีหนูก็ต้องปล่อยเข้าไปจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านแล้วทำไม หลวงพ่อเสกให้คนเป็นคนดีไม่ได้หรอกหนูแต่ก็เอาเถอะหลวงพ่อมีวิธีช่วยแต่หนูต้องช่วยตัวเองก่อนพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าหนูอยากให้เขาเป็นคนดีหนูต้องหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ทำใจให้ดีอย่าให้ใจตกหรือจิตตก พอจิตเราดีสามีเขาก็จะหันมุมกลับเองเชื่อหลวงพ่อเถอะสามีของหนูเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเพียงหลงผิดไปช่วยครูช่วยยามเท่านั้นอีกหน่อยเขาก็คิดได้หลวงพ่อรับรองว่าถานูสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันอีกไม่เกินสามเดือนเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขายังดีกว่าผู้ชายบางคน ที่ไม่ยอมกรับเนื้อกรับตัวคนแบบนี้อีกหน่อยก็ถูกเมียทิ้งเหมือนสุนักที่ถูกตัดหางปล่อยวัดท่านตั้งใจจะบอกให้บรุษผู้มีเมียเก็บเป็นหมอนวดซึ่งอีกไม่ช้าไม่นานก็จะถูกภรรยาฟ้องยา่าด้วยว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากหมอนวดได้